สสุดทินตรียวาลอนุโลมหนึ่อนุโลมปุจชั่จะขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจชั่อินทรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมพิจัชนาจักขุนสีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนสีอนุโลมปุจชั่โสตะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมพิจัชนา โสตะใดเป็นอ so ินทรีโสตานั it, ้นเป็นโสตาก็ใช so ่เป็นอ so so right? ินทรีก็ใช่โสตะาที่เหลือเป็นโสตะาแต่ไม่เป็นอินทรีปฏิโรมปุจฉาอินทรีเป็นโสตินทรีใช่ไหมพิจัดชนะโสตินทรีเป็นอินทรีก็ใช่เป็นโสตินทรีก็ใช่อินทรีที่เหลือเป็นอินทรีแต่ไม่เป็นโสตินทรีอนุโลมปุจฉาคานะเป็นอินทรีใช่ไหมพิจัชนาใช่ ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นคาร์นินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาคาร์นินทรียเป็นอินรียก็ใช่เป็นคาร์นินทรียก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นคาร์นินทรียอนุโลมปุจฉาชิวหาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาอินทรียเป็นชิวหินรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาชิวหินรียเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นชิวหินรียก็ใช่เป็นอินทรีย์ที่เหลือเป็นอินรีย์แต่ไม่เป็นชิวหินรีย อนุโลมปุจฉากายเป็นอินทรีย <ripping TER CHA VE> ์ใช่ไหมพิจัตชนากายใดเป็นอินทรีย์กายนั้นเป็นกายก็ใช่เป็นอินทรีย์ก็ใช่กายที่เหลือเป็นกายแต่ไม่เป็นอินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นกายอินทรีย์ใช่ไหมพิจัตชนากายอินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นกายอินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นกายอินทรีย์อนุโลมปุจฉามโนเป็นอินทรีย์ใช่ไหมพิจัตชนาใช่ ปฏิโรู์ป <Jub ilee> ุจฉาอินทรีย์เป็นมณินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนามนินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นมณินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นมณอินทรีย์อนุโลมปุจฉาอิติเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ปฏิรู์ปุจฉาอินทรีย์เป็นอิติินทรีย์ใช่ไหมพิจัดชนาอิตินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอิตินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอิตินทรีย์ อนุโลมปุจฉาปุริสะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นปุริสินทรีใช่ไหมวิจัดชนาปุริสินทรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นปุริสินทรีก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นปุริสินทรีอนุโลมปุจฉาชีวิตเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา อินทรีย์เป็นชีว like ิตอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาชีวิตอินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช <JI> ่เป็นชีวิตอินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นชีวิตอินทรีย์อนุโลมปุชชาสุขเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจชาอินทรีย์เป็นสุขขินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาสุขขินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นสุขขินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นสุขขินทรีย์ อนุโลมปุจฉาทุกเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นทุกขินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาทุกขินทรียเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นทุกขินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นทุกขินทรียอนุโลมปุจฉาโสมนัสเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา อินทรีย์เป็นโสมนัสสินทรีใช่ไหมวิจัดชนาโสมนัสสินทรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นโสมนัสสินทรีก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นโสมนัสสินทรีอนุโลมปุจรฉาโทมนัตเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจรฉาอินทรีย์เป็นโทมนัสินทรีใช่ไหมวิจัดชนาโทมนัตสินทรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นโทมนัสินทรีก็ใช่ อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นโทมนัสส pues, uh ินรีย์อนุโลมปุจชาอุเบกขาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาอุเบกขาใดเป็นอินทรีย์เวกขานั้นเป็นอุเบกขาก็ใช่เป็นอินทรีย์ก็ใช่อุเบกขาที่เหลือเป็นอุเบกขาแต่ไม่เป็นอินทรีย์ปฏิโลมปุจชาอินทรีย์เป็นอุเปกขินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาอุเปกขินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอุเปกขินทรีย์ก็ใช่ อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอุเปกขินทรีย์อนุโลมปุจฉาสัทธาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นสัตทินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาสัตทินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นสัตทินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นสัตทินทรีย์อนุโลมปุจฉาวิริยะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโลมปุจชัลอินรีย์เป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาวิริยินรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นวิริยินทรียก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นวิริยินรีย์อนุโลมปุจฉัสติเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉัลอินทรีย์เป็นสตินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาสตินรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นสตินรีย์ก็ใช่อินทรียที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นสตินรีย์ อนุโลมปุจฉาสมาธิเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นสมาธินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาสมาธินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นสมาธินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นสมาธินทรีย์อนุโลมปุจฉาปัญญาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา อินทรีเป็นปัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาปัญญินทรียเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นปัญญินทรียก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นปัญญินทรียอนุโลมปุชฌาอนันยาตัญัยศามีติเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชฌาอินทรียเป็นอนัญญาตัญยศามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาอนัญยาตัญญัยศามีตินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอนัญยาตัญญัยศามีตินทรีย์ก็ใช่ อินทรียที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นอนัญญาตัญยสามีตินทรียอนุโลมปุชฌาอัญยะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุชฌาอินทรีย์เป็นอัญยินทรีย์ใช่ไหมวิจัตชนาอัญยินทรียเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอัญยินทรียก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นเป็นอัญยินทรีย อนุรมปุจฉาอัญญาตาวีเป็นอินรีใช่ไหมพิจชชนาใช่ปฏิลมปุจฉาอินรีเป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมพิจาชนาอัญญาตาวินสีเป็นอินสีก็ใช่เป็นอัญญาตาวินสีก็ใช่อินสีที่เหลือเป็นอินสีแต่ไม่เป็นอัญญาตาวินสีปัจจนีกะ141อนุลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอินรีใช่ไหม วิจัชนะเว้นจักขูแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นจักขูแต่เป็นอินทรีย์เว้นจักขูและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขูก็ใช่ไม่เป็นอินทรียก็ใช่ปฏิรลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนทรีใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นโสตะแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นโสตะแต่เป็นอินทรีย์ เว้นสตและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นโสตก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโดนปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมพิจาชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจาชนาเว้นคานะแล้วอินทรีย์ที่เหลือเป็นคานะแต่เป็นอินทรีย์ เว้นขานะและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นขานะก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิรลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นขานอินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาเว้นชิวหาแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นชิวหาแต่เป็นอินทรีย์เว้นชิวหาและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นชิวหาก็ใช่ ไม่เป็นอ no ินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุชฌาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นชิวหินศรีย์ใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุชฌาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุชฌาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นกายอินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุชฌาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหม วิจัตชนาเว้นมโนแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นมโนแต่เป็นอินทรีย์เว้นมโนและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นมโนก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นมนอินทรีย์ใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิทธิไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัตชนาเว้นอิทธิแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นอิทธิแต่เป็นอินทรีย์ เว้นอิทธิและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป e, e ็นอิทธิก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิรลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอิทธิอินทรีย์ใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นปุริสะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัตชนาเว้นปุริสะแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นปุริสะแต่เป็นอินทรีย์ เว้นปุริสะและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นปุริสะก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นปุริสินทรีใช่ไหมพิสัชฉนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวิตไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิสัชฉนาเว้นชีวิตแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นชีวิตแต่เป็นอินทรีย์เว้นชีวิตและอินทรีย์แล้ว สภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นชีวิตก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นชีวิตอินทรีย์ใช่ไหมพิจัตชนาใช่อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสุขไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมพิจัตชนาเว้นสุขแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นสุขแต่เป็นอินทรีย์เว้นสุขและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นสุขก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุชชา สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นสุขขินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่อารมณ์ปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาเว้นทุกข์แล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นทุกข์แต่เป็นอินทรีย์เว้นทุกข์และอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นทุกข์ก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นทุกขินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสมนัสไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาเว้นโสมนัสแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นโสมนัสแต่เป็นอินทรีย์เว้นโสมนัสและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นโสมนัสก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นโสมนัสอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมนัตไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นโทมนัตแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นโทมนัตแต่เป็นอินทรีย์เว้นโทมนัตและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นโทมนัตก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุชฌาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นโทมนัตสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชฌาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุเบขาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหม วิจัดชนาเว้นอุเบกขาแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นอุเบกขาแต่เป็นอินทรีย์เว้นอุเบกขาและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอุเบกขาก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิรมปปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอุเปกินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุรุมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาเว้นศรัทธาแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นศรัทธา แต่เป็นอินทรีย์เว้นศรัทธาและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นศรัทธาก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์มชช so. ไม่เป็นสัตทนะินทรีชชช so. รย์ใช่ไหมพิจันะนรนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิริยะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมพิจารนาเว้นวิริยะแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นวิริยะแต่เป็นอินทรีย์ เว้นวิริยะและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นวิริยะก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นวิริยอินทรีย์ใช่ไหมวิจชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสติไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจฉนาเว้นสติแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นสติแต่เป็นอินทรีย์เว้นสติและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นสติก็ใช่ ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นสตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นสมาธิแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นสมาธิแต่เป็นอินทรีย์เว้นสมาธิและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นสมาธิก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโรมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นสมาธินทรีย์ใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญญาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัตชนาเว้นปัญญาแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นปัญญาแต่เป็นอินทรีย์เว้นปัญญาและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นปัญญาก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นปัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัตชนาใช่ อนุโลมปุจชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีติไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมพิจัดชนาเว้นอนัญญาตัญญัสามีติแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นอนัญญาตัญญัสามีติแต่เป็นอินทรีย์เว้นอนัญญาตัญญัสามีติและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอนัญญาตัญญัสามีติก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุชชา สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอนัญญาตัญญสสามีตรีย์ใช่ไหมพิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมพิจัดชนาเว้นอนยะแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นอนญญะแต่เป็นอินทรีย์เว้นอนัญยะและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอนัญาก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอันยินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญาตาวีไม่เป็นอินทรีใช่ไหมวิจัดชนะเว้นอัญญาตาวีแล้วอินทรีที่เหลือไม่เป็นัญญาตาวีแต่เป็นอินทรีเว้นัญญาตาวีและอินทรีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอัญญาตาวีก็ใช่ไม่เป็นอินทรีก็ใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีไม่เป็นอัญญาตาวินทรีใช่ไหมวิจัชนะใช่ ส ilim, สุท ия, สทินทริยะมูลจักรวาลอนุโลมหนึ่อนุโลมปุจฉาจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาโสตินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นโสตินทรียก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นโสตินทรียอนุโลมปุจฉาจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโลมปุชชาอินทรียเป็นคาอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาคาอินทรียเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นคาอินทรียก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นคาอินทรียอนุโลมปุชชาจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาอินทรีย์เป็นชิวหินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาชีวหินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นชิวหินทรียก็ใช่ สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์จะไม่เป็นชีวหินรีอนุโลมปุชชาจะขูเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาอินทรีย์เป็นกายินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนากายินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นกายินทรีย์ก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นกายินทรีย์อนุโลมปุชชาจะคูเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชา อินทรีย์เป็นมนินทรีย์ใช่ไหมพิจารณานะมนินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นมนินทรีย์ก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นมนินทรีย์อนุโลมปุชชาจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาอินทรีย์เป็นอิทธินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาอิทธินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอิทธินทรีย์ก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอิทธินทรีย์ อนุโลมปุจชาจะคุเ no. ป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาอินทรีเป็นปุริสินทรีใช่ไหมวิจัดชนาปุริสินทรีเป็นอินทรีก็ใช่เป็นปุริสินทรีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นปุริสินทรีอนุโลมปุจชาจะคุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิทัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาอินทรีเป็นชีวิตอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนา ชีวิตอินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นชีวิตอินทรียีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นชีวิตอินทรียีอนุโลมปุจฉาจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นสุขินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาสุขินทรียีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นสุขินทรียีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นสุขินทรียีอนุโลมปุจฉา จักขูเ right? ป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุชฌาอินทรีย์เป็นทุกขินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาทุกขินทรียเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นทุกขินทรียก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นทุกขินทรียอนุโลมปุชฌาจักขูเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุชฌาอินทรีย์เป็นโสมนัตสินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนา โสมนัสสินสี่เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นโสมนัสสินสี่ก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นโสมนัสสินสี่อนุโลมปุจฉาจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นโธมนัสสินสี่ใช่ไหมวิจัตชนาโธมนัสสินสี่เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นโธมนัสสินสี่ก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นโธมนัสสินสี่ อนุโลมปุจฉาจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาอินทรีย์เป็นอุเปกขินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาอุเปกขินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอุเปกขินทรีย์ก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอุเปกขินทรีย์อนุโลมปุจฉาจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาอินทรีย์เป็นสัตตินทรีย์ใช่ไหม วิจัชนาสัตทินรียเป็นอ <sk r ug uit> ินทรีย์ก็ใช่เป็นสัตทินรียก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นสัตทินรียอนุโลมปุจฉาจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิตัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาวิริยินรียเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นวิริยินทรียก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นวิริยินรียอนุโลมปุจฉา จักขูเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชฌาอินทรีย์เป็นสตินทรีใช่ไหมวิจัดชนาสตินทรีเป็นอินทรียก็ใช่เป็นสตินทรีก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นสตินทรีอนุโลมปุชฌาจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชฌาอินทรีย์เป็นสมาธินทรีใช่ไหมวิจัดชนา สมาทินรียเป็นอินทรีก็ใช่เป็นสมาธินรียก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นสมาธินียอนุโลมปุจฉาจะขูเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นปัญญินทรียใช่ไหมวิจัชนาปัญญินทรียเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นปัญญินทรียก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นปัญญินทรียอนุโลมปุจฉา จักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชฌาอินทรียเป็นอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาอนัญญาตัญญัสามีตินทรียเป็นอินทรียก็ใช่เป็นอนัญญาตัญญสามีตินทรียก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอนัญญาตัญญัสามีตินทรียอนุโลมปุชฌาจักขุเป็นอินทรียใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโลมปุชฌาอินทรียเป็นอัญญินรีย์ใช่ไหมวิจัชนาอัญญินรียเป็นอินทรียก็ใช่เป็นอัญ ญ, ญ, ญ, ญินรียก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นปานอัน ญ, ญ, ญ, ญินรียอนุโลมปุชฌาจักขูเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชฌาอินทรียเป็ น, นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาอัญญาตาวินรีย เป็นอินทรีก็ใช่เป็นอญญาตาวินทรีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีแต่ไม่เป็นอนญาตาวินรีอยสี่อนุโลมปุชชาโสตะเป็นอินทรีใช่ไหมพิจชนาโสตใดเป็นอินทรีโสตะนั้นเป็นโสตะก็ใช่เป็นอินทรีก็ใช่โสตะที่เหลือเป็นโสตะแต่ไม่เป็นอินทรีปฏิโลมปุชชาอินทรีเป็นจักขุนทรีใช่ไหม พิจัรณาจากขุนรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจากขุนรีก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจากขุนรีละอนุโลมปุชชาโสตะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมพิจัชนาโสตะใดเป็นอินทรีย์โสตะนั้นเป็นโสตะก็ใช่เป็นอินทรีย์ก็ใช่โสตที่เหลือเป็นโสตะแต่ไม่เป็นอินทรียปฏิโลมปุชชาอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมพิจัชนา ัญญาตาวินศีเป็นอินรียก็ใช่เป็นอัญญาตาวินศีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินรียแต่ไม่เป็นอัญญาตาวินศีหนึ่งสีิบสีอนุโดมปุชชาคานะเป็นอินรีย์ใช่ไหมวิตัชชาใช่ปฏิโดมปุชชาอินรีเป็นจกักขุนศีใช่ไหมวิตัชชาจากักขุนศีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจกักขุนศีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินรียแต่ไม่เป็นจกักขุนศีละ อนุโลมปุจฉาคานะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินศีใช่ไหมวิจัดชนะัญญาตาวินศีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นัญญาตาวินศีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นัญญาตาวินศีหนึ่งร้สี่สิหอนุโลมปุจฉาชิวหาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา อินทรีย์เป็นจกักขุนสีใช่ไหมวิจัดชนาจากักขุนสีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจกักขุนสีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนสีละ ggi. อนุโลมปุจฉาชิวหาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นอญาา น, <cedented> นญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาอญญาตาวินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอญญาตาวินทรีย์ก็ใช่ ส, Styles, สภาะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอน ญ, ญาตาวินทรีย์ร้อสี่สิอนุโลมปุชชากายเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนากายใดเป็นอินทรีย์กายนั้นเป็นกายก็ by, ใช่เป็นอินทรีย์ก็ใช่กายที่เหลือเป็นกายแต่ไม่เป็นอินทรีย์ปฏิโลมปุชชาอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาจักขุนทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนทรีย์ก็ใช่ สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนรี่และอนุโลมปุจฉากายเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัตชนากายใดเป็นอินทรีย์กายนั้นเป็นกายก็ใช่เป็นอินทรีย์ก็ใช่กายที่เหลือเป็นกายแต่ไม่เป็นอินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัตชนะัญญาตาวินทรียเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นัญญาตาวินทรียก็ใช่ สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์หนึ่งอเจอนุโลมปุจฉามโน uh, เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจติชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นจกักขุนทรีย์ใช่ไหมวิจตชนาจากักขุนทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจกักขุนทรีย์ก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจกักขุนทรีย์ละอนุโลมปุจฉา มโนเป็นอ yes. um ินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิรมปุจฉาอินทรีย์เป็นอนญาตาวินทรียใช่ไหมวิจัชนาอนญาตาวินทรียเป็นอินทรีย <Please> ์ก <ico> ็ใช่เป็นอนอนยาตาวินทรียก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอนญาตาวินรียหนึ่งร้อยสี่สิบแปดอนุโลมปุจฉาอิทธิเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิรมปุจฉาอินทรีย์เป็นจักขุญรีใช่ไหม วิจัชนาจกขุนรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจกขุนรีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจกขุนรีละอนุโลมปุจฉาอิทธิเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรียเป็นัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาอญญาตาวินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นัญญาตาวินทรีย์ก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นัญญาตาวินทรีย์ หนึ่งอสี่ส้าอนุโลมปุตชารปุริษะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาะไม่ใช่ปฏิโลมปุตชาอินทรีย์เป็นจักขุนตรีใช่ไหมวิจัชนะจาจักขุนทรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนตรีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนตรีละอนุรลมปุตชารปุริษะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาะไม่ใช่ปฏิโลมปุตชา อินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมพิจัชนะัญญาตาวินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอัญญาตาวินทรียก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นัญญาตาวินทรีย์หนึ่งอหอนุโลมปุจฉาชีวิตเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นจักขุญทรีใช่ไหมพิจัชนาจักรุนทรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักรุนทรีก็ใช่ สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนสีและอนุโลมปุจฉาชีวิตเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนะัญญาตาวินทรียเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอัญญาตาวินทรียก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นัญญาตาวินสีร้ยห้าสออนุโลมปุจฉา สุขเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชฌาอินทรีย์เป็นจกักขุนรีใช่ไหมวิจัดชนาจักขุนสีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนรีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์จะไม่เป็นจกักขุนรีและอนุโลมปุชฌาสุขเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชฌาอินทรีย์เป็นอน ญ, ญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนา ัญญาตาวินศีเป็นอินรียก็ใช่เป็นอัญญาตาวินศีก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นอัญญาตาวินศีหนึ่งห้าิบสออนุโลมปุจฉาทุกขนะ์เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ละหนึ่งอห้าบสาอนุโลมปุจฉาโสมานัตเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ละ 154อนุโลมปุตชาโทมนัตเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ละ155อนุโลมปุจชาร์อุเบขาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาอุเบขาใดเป็นอินทรีย์อุเบขานั้นเป็นอุเบขาก็ใช่เป็นอินทรีย์ก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอุเบขาแต่ไม่เป็นอินทรีย์ปฏิโลมปุตชาอินทรีย์เป็นจักรุนรีใช่ไหม วิจัชนาจกขุนสีเป็นอินทรียก็ใช่เป็นจกขุนสีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นจกขุนสีละอนุโลมปุจฉาอุเบขาเป็นอินทรียใช่ไหมวิจัชนาอุเบขาใดเป็นอินทรียอุเบขานั้นเป็นอุเบขาก็ใช่เป็นอินทรียก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอุเบขาแต่ไม่เป็นอินทรียปฏิโลมปุจฉา อินทรีย์เป็นัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมพิจัดชนะัญญาต า, าวินทรียเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นัญญาตาวินทรียก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์หนึ่ง้อยห้าิหอนุโลมปุจฉาศรัทธาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ละหนึ่ง้อยห้าสิบเจ็ดอนุโลมปุจฉาวิริยะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมพิจัชนาใช่ละ 158อนุโลมปุจฉลาสติเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ละ159อนุโลมปุจฉลาสมาธิเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ละ160อนุโลมปุจฉาปัญญาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ละ161อนุโลมปุจฉลา อนัญญาตัญยัสสามีติเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ละหนึอนุโลมปุชชาอัญญะเป็นอินทรียใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาอินทรีย์เป็นจักขุนทรีใช่ไหมวิจัชนาจักขุนทรีเป็นอินทรียก็ใช่เป็นจักขุนทรีก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนทรีละปฏิโลมปุชชาอินทรียเป็นอนัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม วิจ An uh in uh ัชนะอัญญาตาวินสีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอัญญาตาวินสีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอัญญาตาวินสีหนึอยหกอนุโลมปุชชาอัญญาตาวุีเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาอินทรียเป็นจักขุณสีใช่ไหมวิจัชนาจักขุณสีเป็นอินรียก็ใช่เป็นจักขุณสีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุณสี ละอนุโลมปุจฉาัญญาตาวีเป็นอินทรียใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีเป็นอัญญินทรีใช่ไหมวิทัดชนาชอัญญินทรีเ ย, ยเป็นอินทรียก็ใช่เป็นอัญญินทรียก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นอัญญินทรียปัจจณิกะ164อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุมไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหม วิจัชนาเว้นจากกูแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นจากขูแต่เป็นอินทรีย์เว้นจากกูและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจากขูก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิรลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจากขูไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นจากกูแล้ว อินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นจักขุแต่เป็นอินทรีย์เว้นจักรูและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจักรูก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นคาอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ละอนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาเว้นจักรูแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นจักรูแต่เป็นอินทรีย์ เวนจากขู่และอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจากขู่ก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่1 6ึ่อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นโสตะแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นโสตะแต่เป็นอินทรีย์ เว้นโสตะและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นโสตะก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิรลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนรีใช่ไหมวิจัชนาใช่และอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจตชนาเว้นโสตะแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นโสตะแต่เป็นอินทรีย์ เว้นตะและอินรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นโสตะก็ใช่ไ ม, si, ไ, ม si, ไม่เป็นอิญญาานทรีย si, ์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิ น, si, น, นนะ si, ทรีย์ไม่เป็นอญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ห6ึอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นคานะแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เไม่เป็นคานะแต่เป็นอินทรีย์ เว้นคานะและอินทรีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นคานะก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจตัชนาใช่ละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจตัชนาเว้นคานะแล้วอินทรีที่เหลือไม่เป็นคานะแต่เป็นอินทรีย เว้นขานะและอินทรียแล้วจะภาปธรรมที่เหลือไม่เป็นขานะก็ใช่ไม่เป็นอินทรียก็ใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นอน ญ, ญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาะใช่หนึอนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาเว้นชิวหาแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นชิวหาแต่เป็นอินทรีย์ เว้นชิวหาและอินทรียแล้วสภาวธรรมที n n ่เหลือไม่เป็นชิวหาก็ใช่ไม่เป็นอินทรียก็ใช่ปฏิรอมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ละอนุรอมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นชิวหาแล้วอินทรียที่เหลือไม่เป็นชิวหาแต่เป็นอินทรียเว้นชิวหาและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นชิวหาก็ใช่ไม่เป็นอินตรียก็ใช่ ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีไม่เป็นัญญาตาวินศีใช่ไหมวิจัดชนาใช่1 6ึ่ออนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นอินทรีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีไม่เป็นจักขุนรีใช่ไหมวิจัดชนาใช่และอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นอินทรีใช่ไหม วิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอนญาตาวินทรียใช่ไหมวิจัชนาใช่หนึ่งร้อหกสิเก้าอนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นมโนแล้วอินทรียที่เหลือไม่เป็นมโนแต่เป็นอินทรียเว้นมโนและอินทรียแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นมโนก็ใช่ไม่เป็นอินทรียก็ใช่ปฏิโลมปุชชา สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนทรีใช่ไหมวิจัชนาใช่และอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นอินทรียใช่ไหมวิจัชนาเว้นมโนแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นมโนแต่เป็นอินทรีย์เว้นมโนและอินทรียแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นมโนก็ใช่ไม่เป็นอินทรียก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นอนญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่หนึ อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิทธีไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาเว้นอิทธิแล้วอินทรียที่เหลือไม่เป็นอิทธีแต่เป็นอินทรียเว้นอิทธีและอินทรียแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอิทธีก็ใช่ไม่เป็นอินทรียก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจเกคุญสีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิทธีไม่เป็นอินทรียใช่ไหมวิจัดชนา เวนิทีแล้วอินทีที่เหลือไม่เป็นอิถีแต่เป็นอินทรียเวนิถีและอินทรีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอิทีก็ใช่ไม่เป็นอินทรีก็ใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นอญญาตาวินทรีใช่ไหมวิจัชนาใช่หนึ่งออนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นปุริสะไม่เป็นอินทรีใช่ไหมวิจัชนาเว้นปุริสะแล้วอินทรีที่เหลือไม่เป็นปุริสะแต่เป็นอินทรีย เว้นป right? ุร <outfits or bib regulators> <medicine> ิสะและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นปุริสะก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโรมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจเกขุณสีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ละอนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นปุริสะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาเว้นปุริสะแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นปุริสะแต่เป็นอินทรีย์เว้นปุริสะและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นปุริสะก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นอนยาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่หนึ่งร้อเจ็ิบสองอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวิตไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นชีวิตแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นชีวิตแต่เป็นอินทรีย์เว้นชีวิตได้อินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นชีวิตก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉา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 เปนทุกข <Yeah. S 3> so, ์และอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นทุกข์ก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิรลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจเกขุณรีใช่ไหมวิจัตชนาใช่ละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัตชนาเว้นทุกข์แล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นทุกข์แต่เป็นอินทรีย์เว้นทุกข์และอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นทุกข์ก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นัญญาตาวินทรี ย, Pascal, รย are, ์ใช่ไหมวิตัชนาใช่หนึ่ง้อเจห้าอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสมนัตไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิตัิชนาเว้นโสมนัตแล้วอินทรีทีท่เหลือไม่เป็นโสมนัตแต่เป็นอินทรียเว้นโสมนัตและอินทรียแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นโสมนัตก็ใช่ไม่เป็นอินทรียก็ใช่ปฏิโรมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจ้กขุนศีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสมนัตไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาเว้นโสมนัตแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นโสมนัตแต่เป็นอินทรีย์เว้นโสมนัตและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นโสมนัตก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอนญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่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 อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมนัสไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาเว้นโทมนัสแล้วอินทรีที่เหลือไม่เป็นโทมนัสแต่เป็นอินทรียเว้นโทมนัสและอินทรียแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นโทมนัสก็ใช่ไม่เป็นอินทรียก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นอนยาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่หนึ่งร้เจอนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุเบกขาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไห e. มวิจัดชนาเวนุเบกขาแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม things, ่เป็นอุเบกขาแต่เป็นอินทรีย์เวนุเบกขาและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอุเบกขาก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิรู์ปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุญณีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุเบกขาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนา เวนอุเบกขาแล้วอินทรียที่เหลือไม่เป็นอุเบกขาแต่เป็นอินทรียเว้นอุเบกขาและอินทรียแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอุเบกขาก็ใช่ไม่เป็นอินทรียก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิตัชญาใช่หนึ่งร้อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นอินทรียใช่ไหมวิตัชญาเว้นศรัทธาแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นศรัทธาแต่เป็นอินทรีย เว้นศรัทาและอินทรียแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นศรัทธาก็ใช่ไม่เป็นอินทรียก็ใช่ปฏิโดนปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นจักขุนตรีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาเว้นศรัทธาแล้วอินทรีที่เหลือไม่เป็นศรัทธาแต่เป็นอินทรีย์เว้นศรัทธาและอินทรียแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นศรัทธาก็ใช่ไม่เป็นอินทรียก็ใช่ ปฏิโดมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นอน ญ, ญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาะใช่หนึอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิริยะไม่เป็นอินทรียใช่ไหมวิจัดชนาะเว้นวิริยะแล้วอินทรีที่เหลือไม่เป็นวิริยะแต่เป็นอินทรียเว้นวิริยะและอินทรียแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นวิริยะก็ใช่ไม่เป็นอินทรีก็ใช่ Alles. ปฏิโดมปุจฉา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 180อนุโลมปุจชัลสภาวธรรมที่ไม่เป็นสติไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นสติแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นสติแต่เป็นอินทรีย์เว้นสติได้อินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นสติก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉัสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจกขุญสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ละอนุโลมปุจฉัลสภาวธรรมที่ไม่เป็นสติไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนา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 ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีไม่เป็นอัญญาตาบินทรีย์ใช่ไหมวิจัิชนาะใช่182อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญญาไม่เป็นอินทรียใช่ไหมวิจติชนาเว้นปัญญาแล้วอินทรีที่เหลือไม่เป็นปัญญาแต่เป็นอินทรียเว้นปัญญาและอินท ร, รีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นปัญญาก็ใช่ไม่เป็นอินทรียก็ใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นจักขุนทรีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญญาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาเว้นปัญญาแล้วอินทรีที่เหลือไม่เป็นปัญญาแต่เป็นอินทรียเว้นปัญญาและอินทรีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นปัญญาก็ใช่ไม่เป็นอินทรียก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นอญยาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ 183อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาตัญญัสามีติไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาะเว้นอนัญญาตัญญัสามีติแล้วอินทรีที่เหลือไม่เป็นอนัญญาตัญญัสามีติแต่เป็นอินทรียเว้นอนัญญาตัญญัสามีติและอินทรียแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอนัญญาตัญญัสามีติก็ใช่ไม่เป็นอินทรียก็ใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัิชนาใช่ละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีติไม่เป็นอินทรียใช่ไหมวิจัิชนาเว้นอนัญญาตัญญสามีติและอินทรีที่เหลือไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีติแต่เป็นอินทรียเว้นอนัญญาตัญญสามีติและอินทรีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีติก็ใช่ไม่เป็นอินทรีก็ใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอนญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่184อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนยะไม่เป็นอินทรียใช่ไหมวิจัดชนาเว้นอัญยะแล้วอินทรีที่เหลือไม่เป็นอน Morris, อยะแต่เป็นอินทรีย์เว <Aires Nar> <ozone> ้นอนยาและอินทรียแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอนยาก็ใช่ไม่เป็นอินทรียก็ใช่ปฏิโดมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักรุญณีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ ละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนญะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจตัชนาเว้นอญญะแล้วอินทรีย ma, oh ์ที่เหลือไม่เป็นอนญะแต่เป็นอินทรีย์เว้นอนญะและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอนญะก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอนญะตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจตัชนาใช่185ออนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญาตาวีไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจตัชนาเว้นัญญาตาวีแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นอัญญาตาวีแต่เป็นอินทรีย์เว้นัญญาตาวีและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นัญญาตาวีก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจากขุนศรีใช่ไหมวิจตัชนาใช่ละอนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นัญญาตาวีไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหม วิจัชนาะเวนัญญาตาวี ì, แ, ล ì, แล้วอินทรีที่เหลือไม่เป็นัญญาตาวีแต่เป็นอินทรีเวนัญญาตาวีและอินทรีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นัญญาตาวีก็ใช่ไม่เป็นอินทรีก็ใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีไม่เป็นอันญินทรีใช่ไหมวิจัตชนาะใช่ปนัตติวารานิเทศจบ